ชำนาญพอใครครวรเข้าชำนาญอย่างที่กล่าวไปอย่างดีแล้วก็เห็นโทษว่าไอ้วิตกเนี่ยวิตกกับวิจารเนี่ยหยาบมากเพราะว่ามันใกล้มากต่อที่จะไปเพราะเวลาราคาจะเกิดก็เพราะคิดอะ่ะมันจึ ง, จ, งจึงเกิดราคาก็เพราะคิดอะ่ะมันจึงโกรธอย่างเงี้ยนะก็เวลาจะง่วงนอนเป็นต้นก็เพราะไปตรึกเรื่องอย่างนั้นแหละก็เลยเห็นโทษของไ อ, ไอตัวความความตรึกตัวความวิตกเพราะมันใกล้ต่อนิวรณ์เนี่ย น, น, น, นะ เพราะฉะนั้นก็เห็นโทษในวิตกอย่างแรงกล้าแล้วก็มาปรารบกรสินใหม่อันนี้นปรารบกรสินแล้วก็เข้าฌานมันจะได้ฌานที่สองแทนเขาจะได้ฌานที่สองแท น, น, นเพราะว่าละวิตกเพราะเห็นโทษว่าจะไม่เอาเลยนะเข้าครั้งนี้จะต้องไม่มีวิตกประมาณเหมือนกับว่าแบบเรามี สมาชิกกลุ่มไปสมส ม, มุติว่าครั้งแรกเลยสาสิบปดคนนะสมมตินงเอ๊สามิบแปดคนนี่มันพรุงพรางไอ้ไอคนไหนว่าไหนาเนี่ยที่มันทําให้มันชักช้ามากตัดออกสองเนี่ยไงไอ้ค่อยๆตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยตัดสมาชิกกลุ่มไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อ ย, อยมันเหมือนเหมือนเครื่องบินนี่เออที่ส่งยานออกไปนอกโลกไยะนะพอไปถึงระดับหนึ่งต้องตัดส่วนนี้ถ้าแต่ระดับนั้นต้องตัดส่วนนั้นระดับนั้นตัดส่วนนั้นถ้าไม่ตัดมันไปไม่ได้ หรือไปแล้วมันพรุงพะรังไปหมดอลยนะีอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันมันจะค่อยๆตัด อ, ออกไปก่อนสํานวนนะเข้าชานก่อนเข้าชานตามสูตรเลยนะหนึ่งขั้นแรกก่อนมันต้องชํานาญในการหัดนึกถึงชานได้บ่อยๆก่อนสองพอนึกปั๊บเข้าไรเลยไหมเอ็นึกถึงชานกับเข้าชานมันคนละอันอันนี้นึกถึงชานเสร็จแล้วก็พอนึกเสร็จเอาเข้าเลยได้ไหม เข้าแล้วเข้าจะเข้าอยู่กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่วันพอเข้าเสร็จแล้วถ้าจะออกนี่ไม่ใช่บางคนเนี่ยตั้งไว้บ่ายสองมันไปออกบ่ายสี่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่มันก็ต้องให้ออกตามเวลาอย่างที่ตั้งไวเ้เป๊ะๆหมดอะ่ะเข้าออกอย่างชำนิชำนาญเนี่ยนะหรือใครเคยฝึกหลับได้ขนาดนั้นสภาวะนี่ถามว่ามัน เขาก็อุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับพระ อ, องค์อุปมานะเหมือนกับคนที่อาบน้ําลงไปในน้าแล้วมันเอิบอิ่มอะไรางนะก็อุปมาคือข้าอุปมาก็เล่าว่ามันเป็นความสุขอย่างมากที่มันพ้นจากการมาสุขอะไรเนี่ยนะก็อุปมาได้ลักษณะนั้นคือมีความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่มีอามิ t ความสุขที่ไม่มีโทษเต็มความสุขที่ไม่น่ากลัวนะถ้าจะอธิบายสุขอะ่ะนะด้วยการคิดไปในเรื่องนี้นะซึ่งก็ มันประมาณเหมือนคุณถามว่าเออิ่มนี่มันเป็นยังไงอิ่มแล้วท้องมันแน่นไหมอย่างเงี้ยนะถ้าคือคําถามมันจะลักษณะนั้นซึ่งมาก็ตอบไม่ได้ก็ตอบได้ตามองคเนี่ยวิตกมันยกนะวิจารมันผูกนะนนเหมือนก็ถามว่าเอ๊ะต้มส้มตำนี่มันอร่อยมันอร่อยยังไงตอบยากเงี้ยแค่แค่ธรรมดาเนี่ยคือ ออกนั่นนะมันสําคัญอยู่ที่ว่านึกไว้ก่อนนะ่ะนึกว่าจะเข้าแล้วตั้งว่าการเข้าครั้งนี้จะอยู่เท่าไหร่นะแค่ตั้งไว้ตอ น, ตอนแรกเป็นเกณฑ์พอไม่ใช่ไปอยู่ในฌานแล้วก็ไปตั้งใหม่อะไรใหม่พอไปอยู่ในฌานมันจะรู้เรื่องเดียวมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้รับรู้เรื่องอื่นมันจะอยู่แค่กับกสินเฉพาะปฏิภาคณิมิตยอย่างเดียวมันจะไม่รับรู้เรื่องอื่นทั้งนั้นโลกจะทอลมทลายแผ่นดินจะอะไรก็ช่างไม่ไ ม, ไม่เหมือนกับคนหลับอะนะ ไม่รับรู้เรื่องอื่ น, นะหอาจารย์ว่าหลับและตั้งเวลาตื่นได้ไมไ่ตั้งได้นะหลายหลายคนนี่เขาตั้งเวลาหลับตั้งเวลาตื่นตั้งอะไรได้หมดนึ 1, ่งทสองันนี้ตั้งได้ตั้งได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเขาชํานาญแบบนั้นน ะ, นะนี่ยเขาจะเขา้าเขาจะเข้าสักหนึ่งนาทีสองนาทีจนไปถึงเจ็ดวัน อ, อ่ะนะปริมาณเนี่ยเขามีเจ็วันถามว่าทําไมไม่ยกเกินเจ็วันก็บอกว่าถ้าเกินเจ็ดวันนะมันดีไม่ดีมันจะเป็นโรคกระเพาะตายซะก่อ จะอาหารโดยรวมๆนะทั้งอาหารทั่วๆไปเนี่ยเจ็วันอาณาปะอันนี้นี่ยกมาแค่หนึ่งตัวอย่างก็พอเพราะว่าส่วนรายละเอียดเนี่ยนะถ้าจะไปเอากอันไหนก็ต้องไปก็อีกวิชาหนึ่ง่านั้นเถอะอนครับเดี๋ยวมันมันจะไม่เข้าไอ้วิชาที่ว่านะ เดี๋ยวมันจะแย่งไปเฉดก้ามาว่าทั้งหมดทั้งกันอพอทบทวนนะว่าชํานาญในการนึกก่อนอยู่ที่ไหนก็นึกถึงฌานได้นึกถึงตัวฌานเนี่ยน ะ, อ, ะอย่าลืมว่าองค์ประกอบเขาต้องสองนะหนึ่งตัวฌานกับอารมณ์ของฌานนึกถึงฌานกับนึกถึงอารมณ์ของฌานมันก็ใกล้กันอะไรพอนึกถึงฌานปั๊บนึกถึงนึกถึงอารมณ์แล้วนึกปั๊บเข้าได้ไหมเข้านี่ตั้งไว้ว่าจะเข้าเท่าไหร่ แล้วออกตามนั้นได้ไหมทำอย่างเงี้ยจนชำนาญพอพอทำได้ดีปั๊บก็พอเข้าเสร็จหลังจากเข้าก็ไอตัวอาวัชชนะนั่นแหละมาเป็นปัจเจกนึกที่จะพิจารณาตัวองค์ฌานเออตัวใหญ่ๆหยาบๆมีอยู่5้าองค์นะตัววิจารณ์ปีติสุขเอกะคตาทนก็ทั่วไปก็นึกไอตัววิตกนี่มันหยาบ ก, กว่าเพื่อนอนะตัวนึกอ่ะนะมันก็นึกนึกถึงตัววิตกก่อนนึกถึงตัววิจารณ์นึกถึงตัวปติสุกเอกคตา ก็นึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอไค้ครควญแบบนี้เสร็จแล้วก็บอกในบรรณาปฐมฌานเนี่ยตัวที่มันจะใกล้ต่อเสื่อมที่สุดเนี่ยนะคือตัววิตกกับวิจาร์อย่างว่าคือฌานนี่มันเกิดจากการตรึกถึงใช่ไหมวิตกปฐมฌานมันก็เหมือนกับนึกถึงต้องเฮ้เหมือนเหมือนกัเหมือนต้องปีนต้องไป่ยอยู่ตลอดเวลาก็เห็นโทษของอันนี้เข้าก็พอเห็นโทษก็พิจารณาอย่างดีแล้วก็เห็นโทษตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องละอันนี้ให้ได้ก็เข้าฌานใหม่ พยายามจะเอาอารมณ์เดิมนั่นแหละคือกสินนิมิตอันเดิมตัวที่ที่ต่อชามที่สองไม่ได้คืออันนี้ตัดไปเลยเนี่ยนะอันนี้ที่เหลือจะได้ชามสูงๆต่อไปอีกมันก็ตัดตัวอสุภาออกมันจะเหลือแคบลงมาอารมณ์จะแคบก็มาเข้าพิจารณาอารมณ์เนี่ยอีกก็จะได้ทูติยะชามซึ่งประกอบตัดถ้าจะตุ ก, กนาก่อนก็ตัดออกไม่ต้องยกไม่ต้องผูกแล้วเข้าได้สนิทเลย เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ทําอย่างนี้อีกเข้าจนานาญในการนึกถึงพอดีไม่ดีนะพอทําไปทํามามันหลุดไปอยู่ชาติหนึ่งแนละ้วอย่างงี้มันก็จะต้องแบบจะต้องแยกให้ดีนะเพราะพวกนี้สติจะต้องดีมากคัดไม่งั้นเดี๋ยวก็อ้าวบางทีมันก็บางคนมันชอบนึกอยู่แล้วชอบวิตึกอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวดีไม่ดีทําไปทํามาชาติหนึ่งหนักๆเข้ามันจะเข้าไม่ได้เพราะไปการาบมาวิตกึกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็พวกนี้จะต้องระวังค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะ ระวังเข้าก็อ้าชํานาญในการนึกชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกอย่างเงี้ยจ น, นพิจารณาองค์ชาอีกในบรรดาเนี่ยนะปีติสุขเอกาคตาปีติสุขเอกาคตาเนี่ยปีติเนี่ยมันหยาบมากอ่ะเนี่ยน ะ, ะต้องการเอาความสุขกัเอกาคตาโดยที่มันไม่ต้องอาศัยปีติว่าไงเถอะก็พิจารณาจะเห็นโทษปีติเขบอกว่าปีติเนี่ยมันติดมากนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดปีติมากมาก เพราะฉะนั้นไอปีติเนี่ยในในสูตรเนี่ยตอยกสติขึ้นมาใช่มว่าเป็นผู้พระรยะสรรเสริญว่าเป็นผู้มีสติอยู่เป็นสุขเพราะว่าสุขกับปีติปกติมันจะใกล้กันมากสัตว์นี่จะยึดติดในปีติเนี่ยมากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะละปีติได้สติต้องดีจริงๆนั้นก็จะเข้าตัติยะฌานเนี่ยนะตติยฌานที่ประกอบไปด้วยสุขกับเอกขตาละพอละปีติออกไปเนี่ยนะ ทีนี้พออย่างนี้ก็เข้าสูตรอกีกอ้าวชำนาญในการนึชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกนะพอชํานาญในการออกแบบนี้เขาก็ปัจเวกอ่าเหลือเนี้ยแก น, นี่แหละตัวสุกเดี๋ยวพราสุกเนี้ยมันใกล้ต่อปีติมันต้องระวังอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวมันจะไปมันพราะพวกกันนี่มันพวกกันเดี๋ยวมันเอ๊ะเดี๋ยวจะไปเข้าไปหาปีติอยู่ด้วยนั่นก็ตัดซะสุกไปเลยแล้วก็เห็นโทษของสุกแล้วก็เข้าชานใหม่ ก็ไปหานิมิตเดิมอีกเข้าฌาแต่อันนี้จะตัดพรมวิหารสามข้อออกไปคือเมตตาการุณาเนี่ยจะเข้าชานสีไม่ได้จะได้ถึงแค <3. S 1> ่น่าเ า, า, ามเดิมนนัแหลนนะ สำนวนว่าทั่วๆไปเนี่ยนะการเข้าประถมชฌานเนี่ยต้องอาศัยวิโต ว, วิจาร์นีที่เข้าฌานได้เหมือนอุปมาเหมือนก็เข้าวังได้เพราะวิตก ว, วิจารเนี่ยพาไปพอชำนาญแล้วแกไม่ต้องละวิโต ว, วิจารณไม่ต้องก็เข้าไปที่เดิมอีกนั่นแหละแต่ว่าเข้าไปเนี่ยคนระบทบาทกับกันเนี่ยนะเพราะว่าค่าอะไรค่าใช้จ่ายลดลงไปเยอะเลยตัดสองตัวนี้ออกไปทีนี้เข้าไปอีกรอบถ้าตัดอันนี้ออกไปนี่ค่าใช้จ่ายมันลดไปอี ก, ก น, นะถ้ค่อยตัดอย่างนี้ไปเรื่อยลักษณะนี้ ก็เข้าไปที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าฌานที่พรหมวิหารนะเมตตาการุณาโมทิตามไม่เกินสามไม่เกินสามเกินนี้ก็จะเหลือกสินเหลืออุเบกขาพรหมวิหารเหลืออานาปานะตัดเหลือสุกเอ่อเหลือเอกคตาประอุเบกขาเหลืออุเบกขาพรหมวิหารแต่ว่าพรหมวิหารเนี่ยอุเบกขาเนี่ยมันไม่ได้ในฌานที่หนึ่งถึงสามอยู่แล้วไม่ใช่ นี้ก็จะเหลือสุขกับเอกัคตาะนะก็ได้กระสินได้ได้เข้าฌานนะก็จะได้องค์2ก็เหลือองค์สองในอารมณ์เดียวแต่เขาเขาจัดูนะเงื่อนไขสังเกตที่อารมณ์อารมณ์ไหนมันได้ฌานไหนะ น, ะนี้พอเห็นโทษของสุขก็ทําว่าสีทั้ง5อย่างที่กล่าวไปนะเห็นโทษของสุขก็จะได้เจตุทะฌานะนะก็เข้าฌานที่4ซึ่งมีองค์สองคือสุก อ, อุเบขากับเอกัคตา เนี่ยนะใหชีวิตนี้มันหมดพรุงพะังไปเยอะแล้วนะความคิดเนี่ยตัดออกไปดีหรือเปล่านะนึงเงาแย่เลยไม่มีความไม่มีเพื่อนปกติตันหาวิตกมันเป็นเท่านะจะได้เที่ยวไปสายวิตกนเนี่ยเอ้ยถ้าจะให้เลิกคิดนี่จะดีหรือเปล่าอย่างนี้สอนไม่เอานะชอบคิดอีกอเป็นไรก็คิดต่อไปกัแล้วกันพอคิดไปคิดมาแล้วตกหลุมความคิดเลยเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างงั้นนะยุ่งเลย อความคิดนิยามตอนหน้านั้นหมายถึงวิตกแต่ว่าเราเรียนเรื่องจิตที่ไหนมันก็มีจิตมันยังคำํำคือคือคำว่าความคิดบางอย่างความตรึกบางอย่างะนะสับคือไทยมันรับรับได้ไม่กี่คาอะ่ะเนี่ยนะให้รู้ว่าไอ้ความไม่ต้องไปใช้ความคิดเรื่องทั่วไปอ่ะนะอันนี้เพ่งไปที่วิตกเนี่ยนะแต่นี้เราเรียนเรื่องจิตอยู่แล้วเพราะในขณะท่ชานไม่ใชัง่ ดดเสียดายแล้วเกินนะทําไม่ได้คิดเนี่ย <c oughs> มันคิดอยู่เรื่องเนี้ว่ะเรื่องกสินเนี่ย <c oughs> เคยพวกนี้ว่าตรงๆท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมะสุขาวิหารธรรมมันเหมือนถ้าอุปมาณะมันของเรามันจะอุปมาได้ก็หลับนี่แหละถ้าคุณหลับคุณก็ไม่ต้องคิดอ่ะถ้าคุณคิดคุณก็ไม่ต้องหลับอะ <c oughs> ่ะแต่อันนี้มันไม่หลับมันจะรับรู้อารมณ์เดียวเหมือนกับอุปมามันไม่รับรู้ข้างนอกเลยเหมือนหลับ แต่ว่ามันมันถามว่าห่างกับหลับเนี่ยฟ้ากับเหว่างนั้นเนี่ยมันห่างกันมากนะเพราะว่าอันนี้มันเพราะบางคนที่ยินดีในการหลับนี่มันแค่ต้นต้นแล้วเนี่ยอันนี้เพราะความสุขทั่วไปเราไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบให้เห็นนะสาหรับคนที่ไม่เคยได้ฌานเนี่ยบอกว่าฝันยังไม่ค่อยฝันว่าได้ฌานเนี่ยนะยัง อารมณ์จินเตติติธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตก็ไปๆปมาๆ ม, ามันจะเหลือ ก, กลับไปวิเคราะห์สัตว์อันเดิมหรอมั้งไม่ใช่ปริเชศหนึ่งก็ยงว่ามันจะไปหาต้นเดิมว่าคำว่าคิดคืออะไรแต่ก็ดีแล้วที่ละเอียดกะนะค่อยๆละเอียดค่อยๆศึกษาไป ทีนี้สรุปว่าคุณได้เต็มแล้วนะปฐมฌานได้เต็มฌานห้าแล้วฌานห้าสมมุติว่าปฐมสรุปว่าปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตานัติยฌานจตุธาฌานเมื่อกี้นะพูดพูดแบบในนี้ไปแต่มันมีในประเภทพวกอื่นๆอยู่อันหนึ่งพวกอื่นๆหมายถึงว่าโอ้โหจะละเนี่ยมันค่อยๆละต้องละวิตกก่อนนะวิจารเอาไว้ก่อน มันจะค่อยๆละไอ้พวกเนี่ยที่ที่มันจะแบ่งเป็นปัญจกะในอันนี้จะตุกกนในเนี่ยนะจะตุ ก, กันในเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆละอ่ละวิตกได้เป็นทุติยฌาน้าละวิจารได้เป็นตติยฌานจริงๆก็คืออันเนี้ยทุติยกัตติยคือ อ, นนอันเดียวเนี่ยนะ แต่แล้วก็จตุทชาญ น, นี่นะแล้วก็ปัญจมะชาญตาติยะชาญก็คือจตุทชานของปัญจากาศในจตุทชานนั่นแหละเป็นปัญจมะชาญแต่ว่าอันนี้คือขีดความสามารถในการละเนี่ยเขาอ่อนแหมกว่าจะละวิตกได้ก็ยากเย็นกว่าจะละนะเค่อยพากทั้งคู่เลยไม่ได้นะเค่อยเอาออกทีละนิดทีละนิดเ น, นี่ย น, นะพวกนี้ก็จะเป็นปัญจาการในไป ก็เหลือองค์สองนะ 2, คืออุเบคากับเอกัคตาเหลือองค์สองนะอุเบคากับเอกัคตาเอกคตานี่มาจากความเป็นหนึ่งของจิตความเป็นหนึ่งของจิตคือเจตสิกมันไม่กลนกลัดนเกลื่อนกระจักกระจายไม่วุ่นวาย เรีก ว, ว่าสมาทานั่งะนะเจตสิกไม่เกลื่อนกลลไม่วุ่นวายทีนี้พอได้ฌานอย่างนี้ได้จตุกฌานปฐมฌานทุทาาน ต, ทาานติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ก็แบ่งมาเอาอปฐมฌานนี่มันแบ่งออกเป็น3ระดับนะระดับค่อนข้างศักแต่ว่าได้ อ, ะ, อะนะศักแต่ว่าได้เรียกว่าอย่างเรวแค่แค่ดำรงอยู่ะนะจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็จะจะละเกินก็ไม่เกินรักษาคุณภาพไว้ดีมาก อันนี้เรียกว่าทิติอันนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ก็ต้องการจะเจริญชานที่ที่สองและชํานาญมากในเรื่องปฐมฌานเพ่งเพ่งไข้โ ค, รครนแต่ว่าต้องการจะเจริญชานที่สองอันนี้เรียกว่าวิเสสะเนีย่ยนะอันนี้ก็ให้ผลอันนผลก็คือถ้าแบบว่าสักแต่ว่าได้ปฐมฌานจะเป็นพรหมบริษัทปริษัทชาพรหมเนี่ยนะ แก่อาวิบอันี้เหตุอันเนี้ยแกเป็นพรมชั้นบริษัทก็แล้วกันเป็นสมาชิกของพรมไปอ่าเป็นบริวารของมหาพรมไปเป็นไม้ประดับก็ยังดีอ่ะไหมถ้า ท, ทิตฐิอา่าเป็นปุโรหิตปุโรหิตตพรมเนี่ยนะส่วนถ้าวิเศษะอย่างดีนี่อา่าเป็นมหาพรม นะผลผลของการเจริญเนี่ยนะมันอยู่ที่วสีนั่นเองวสีมากาวสีไม่ค่อยดียน่ะศัก์แต่ว่าได้ก็เอาบริษัทไปถ้าชำนาญในเรื่องนี้มาระดับหนึ่งคิดแต่ว่ารักษาเอาไว้แค่นี้ไม่ต้องการจะสูงกว่านี้แล้วไม่คิดจะเจริญทั้นสูงต่อไปนะรักษาไว้เท่านี้พวกนี้ก็เอาเป็นปโปรหิตไป